ทุกขสมุทัยนิเทศส่วนในสมุทัยนิเทศมีวินิจฉัยว่าคำว่ายาอย่างตันหาความว่าตันหานิไดคคำว่าโอโนโภวิกาความว่าการก่อพบใหม่อีกชื่อว่าปุัพภวะ การก่อพบใหม่อีกเป็นปกติของตันหานั้นเหตุนั้นตันหานั้นจึงชื่อโปโนภวิกามีการก่อพบใหม่อีกเป็นปกติตันหานั้นชื่อนันทิราคะสหคตะเพราะไปด้วยกันกับนันทิราคะคือความยินดีอย่างเพลิดเพลินมีอธิบายว่าถึงซึ่งความเป็นอันเดียวกันกับนันทิราคะ โดยอัฏฐะคำว่าตัตระตัตราพินทินีความว่ามันเกิดในอัตภาพใดๆก็มีปกติมุ่งเพลิดเพลินไปในอัตภาพนั้นๆคำว่าสยยทีทางเป็นนิบาทนี่เป็นความของนิบาทนั้นคือหากถามว่าตัณหานั้นเป็นชนัธรรมะทั้งหลายนี้คือ กามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาจะมีแจ้งในปฏิจจสมุปบาทนิเทศส่วนในที่นี้ตัญหาทั้งสามอย่างนี้พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงผนวกเข้าเป็นอันเดียวตรัสว่าเป็นทุกขะสมุทยาอริยสัจโดยอธถะว่าเป็นเหตุอย่างทุกขะสั์ให้เกิด ทุกขนิโรธนิเทศในทุกขานิโรธนิเทศมีวินิจฉัยว่าโดยในยะว่าโยตัสยาเยวะตันหายะเป็นต้นเป็นอันตรัดความดับแห่งสมุทยัยหากถามว่าเหตุไรจึงว่าตรัสความดับแห่งสมุทยัยคำแก้พึงมีว่า ความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งสมูทยัยแท้จริงทุกย่อมดับเพราะความดับไปแห่งสมูทยัยมิใช่เหตุอื่นเหตุนั้นจึงตรัสไว้ในธรรมบทว่าต้นไม้เมื่อโคนยังมั่นอยู่ไม่มีอุปโทวะแม้ถูกตัดส่วนบนแล้วก็งอกได้อีกอยู่นั่นชันใดก็ดีแม้ทุกนี้ก็ฉันนั้น เมื่อตันหานุสัยยังไม่ได้ถูกถอนทิ้งแล้วก็เกิดได้ร่ำไปเพราะเหตุที่ทุกย่อมดับเพราะความดับไปแห่งสมุทัยดังกล่าวมานั่นแหละพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงสแสดงความดับแห่งทุกขจึงทรงสแสดงด้วยความดับแห่งสมุทัยนั่นเองอันพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้มีความประพฤติเสมอด้วยสีหะ ท่านจะดับทุกข์และจะแสดงความดับทุกข์ย่อมปฏิบัติในเหตุมิได้ปฏิบัติในผลส่วนเดียรถีทั้งหลายมีความประพฤติเสมอด้วยสุวาลคือสุนักเขาจะดับทุกข์และจะแสดงความดับแห่งทุกข์ย่อมปฏิบัติในผลโดยแสดงอัตตากิลามัทานุโยคเป็นต้นหาปฏิบัติในเหตุไม่ด้วยประการชนนี้ประโยชน์ คือความมุ่งหมายแห่งการแสดงความดับแห่งทุกข์ด้วยอำนาจความดับแห่งสมุทยัยบัณฑิตพึงทราบโดยนยะดังนี้ก่อนแก่อัฏฐะพระบาลีทุกขานิโรธส่วนต่อไปนี้เป็นแก่อัฏฐะแห่งพระบาลีทุกขานิโรธ คำว่าตัดสายเยวะตันหายะความว่าแห่งตันหาที่พระผู้มีพระภาคตรัสลักษณะว่าโปโนภวิกามีการก่อบพบใหม่อีกเป็นปกติเป็นอาทิแล้วส่งจำแนกโดยประเภทมีการมตันหาเป็นต้นนั้นมักคะหรือมัคเรียกว่าวิราคะความสำรอกออก เพราะพระบาลีว่าวิราคาวิมุจจติย่อมหลุดพ้นเพราะวิราคาความดับโดยสำรอกออกชื่อว่าวิราคะนิโรธความดับโดยสำรอกออกอย่างไม่เหลือเพราะถอนอนุสัยได้ชื่อว่าอเซสวาวิราคะนิโรธอีกนัยยะหนึ่งการละเรียกว่าวิราคา เพราะฉะนั้นในบทว่าอาเซสาวิราคานิโรโธนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าประกอบความว่าการละอย่างไม่เหลือความดับอย่างไม่เหลือดังนี้ก็ได้แต่เมื่อว่าโดยเนื้อแท้บททั้งปวงนั้นเป็นไวยพจน์ของนิพพานทั้งนั้นเพราะว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัตว์โดยปรมัตถ์ก็เหตุใดตัณหาสำรอกออกระดับไปได้ก็เพราะพระโยคาวจรอาศัยคือหน่วงพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์เพราะเหตุนั้นพระนิพพานนั้นจึงตรัสเรียกว่าวิราคะและว่านิโรธะด้วยอันหนึ่ง เหตุใดธรรมะทั้งหลายมีความสละไปแห่งตัญหานั้นเป็นต้นย่อมมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยพระนิพพานนั้นนั่นแหละอันหนึ่งเล่าบรรดาอาลัยทั้งหลายมีการมาคุณาลัยเป็นต้นอาลัยแม้อย่างเดียวย่อมไม่มีในพระนิพพานนั้นเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าจาขะคปฏินิสัคคมุติอนนาลยะ พระนิพานนี้นั้นมีความสงบเป็นลักษณะมีความไม่เคลื่อนคือไม่เปลี่ยนสภาพเป็นกิจหรือว่ามีอันทมความโล่งใจเป็นกิจก็ได้มีความไม่มีนิมิตคือไม่มีเครื่องหมายแห่งทุกข์เป็นผลหรือว่ามีความไม่มีเครื่องหน่วงเหนียวจิตเป็นผลก็ได้ ปัญหาซับซ้อนในเรื่องพระนิพพานหากมีคายืนยันว่าไม่มีหรอกพระนิพพานนะเพราะไม่ใช่สิ่งที่จะพึงหาได้ดุดเขากระตายฉะนั้นดังนี้ไซพระนิพพานไม่มีหามิได้เพราะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่พึงหาได้ด้วยอุบายแท้จริงพระนิพพานนั้น ย่อมหาได้ด้วยอุบายกล่าวคือความปฏิบัติอันสมควรแก่พระนิพพานนั้นดุดโลกุตระจิตของคนอื่นๆพระอริยะย่อมรู้ได้ด้วยเจโตปริยญาณฉะนั้นเหตุนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าพระนิพพานไม่มีเพราะมิใช่สิ่งที่จะพึงได้อันจะว่าปุถุชนโง่ๆไม่ได้ประสบสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมไม่มีดังนี้หาควรจะว่าไม่เพราะท่านผู้ได้ประสบมีอยู่อันหนึ่งไม่ควรกล่าวว่าพระนิพพานไม่มีเพราะอะไรเพราะต้องคือเป็นผิดต่อความไม่เป็นมันแห่งความปฏิบัติจริงอยู่เมื่อพระนิพพานไม่มีความปฏิบัติชอบที่สงเคราะห์ในธรรมขันธ์สามมีศีลขันธ์เป็นต้น อันมีสัมมาทิฏฐินำหน้าก็ต้องเป็นหมันแต่ว่าความปฏิบัติชอบนี้หาเป็นหมันไม่เพราะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้แลหากมีคำแย้งว่าความต้องคือเป็นผิดต่อความไม่เป็นหมันแห่งการปฏิบัติไม่มีหรอกเพราะความปฏิบัตินั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความไม่มีอย่างไรละ่ะดังนี้ไซ คำแก้พึงมีว่าความไม่มีเป็นนิพพานหาไม่ได้เพราะไม่มีการบรรลุพระนิพพานในเพราะความไม่มีขันอดีตและอนาคตไม่มีขันอดีตอนาคตก็บรรลุพระนิพพานได้หากแย้งอีกว่ามีใช่แต่ขันอดีตอนาคตเท่านั้นแม้ความไม่มีวัตตมานะขันคือขันปัจจุบันทั้งหลาย ก็เป็นนิพพานด้วยดังนี้ไซด์คำแก้พึงมีว่าหาไม่ได้เพราะพระนิพพานหาได้มีเพราะความไม่มีวัตมานาัขันเหล่านั้นไม่อนหนึ่งเพราะเมื่อวัตมานาัขันไม่มีพระนิพพานถึงซึ่งความไม่เป็นไปด้วยมิใช่ไม่มีวัตมานาัขันแล้วเป็นนิพพานและเพราะโทษ คือไม่มีการบรรลุสอุ ป, ปาที่เซสนิพานธาตุในขณะแห่งมรรคจิตซึ่งอาศัยวัตมานาขันด้วยคือว่าในขณะแห่งมรรคจะบรรลุนิพานไม่ได้พวกย a งอีกว่าโทษไม่มีเพราะในขณะแห่งมรรคนั้นกิเลสทั้งหลายก็ไม่เป็นไปอยู่แล้วดังนี้ไซคำแก้พึงมีว่า หาไม่ได้เพราะหากในขณะแห่งมคัคคากิเลสไม่เป็นไปแล้วก็อริยมรรคก็ต้องถึงความไม่มีประโยชน์นะสิจริงทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นกิเลสทั้งหลายก็เป็นอันไม่มีมาแต่ก่อนขณะแห่งอริยมรรคเพราะฉะนั้นอริยมรรคก็ถึงความไม่มีประโยชน์เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น ข้อที่ว่าพระนิพพานไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ดุดเขากระตายแล้วว่าความปฏิบัติไม่เป็นมันเพราะความปฏิบัตินั้นเป็นเหตุให้ถึงความไม่มีและว่าโทษคือบรรลุพระนิพพานในขณะแห่งมรรคไม่ได้นั้นไม่มีเพราะในขณะแห่งมรรค ก, กิเลสก็ไม่เป็นไปอยู่แล้วนั้นจึงมีใช่เหตุคือไม่ชอบแก่เหตุ หากมีคํายืนยันอีกว่าขโยความสิ้นไปเป็นนิพพานโดยพระบาหลีว่าโยโอาวุโสราคะขโยอาวุโสความสิ้นไปแห่งราคะใดลาเป็นต้นดังนี้ไซคําแก้พึงมีว่าหามิได้เพราะเพียงแต่ความสิ้นหมายถึงพระอรหันต์ก็ได้ด้วยพระอรหันต์นั้น ท่านก็แสดงไว้โดยในยะว่าโยโขอาวุโสราคัคคโยเป็นต้นด้วยเหมือนกันยังมีผิดอะไรอะไรต่อไปอีกคือการกล่าวเพียงแต่ว่าความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานนั้นไม่ชอบเพราะโทษคือพระนิพพานกลายเป็นธรรมชาติมีชั่วการอันสั้นเป็นไปจริงอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้น พระนิพพานก็ถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติมีชั่วการอันสัน้นความเป็นธรรมชาติมีลักษณะแห่งสังคตธรรมและความเป็นธรรมชาติที่จะพึงบรรลุได้โดยไม่แยแสถึงสัมมาวายามะไปเสียด้วยอันหนึ่งเพราะความเป็นธรรมชาติมีลักษณะแห่งสังคตธรรมนั่นแหละพระนิพพานก็เลยถึงซึ่งภาวะคือเป็นธรรมชาตินับเข้าในสังคตธรรมไป เพราะเป็นธรรมชาตินับเข้าในสังกตธรรมก็เลยถึงภาวะคือเป็นธรรมชาติถูกไฟมีราคะเป็นต้นเผาเอาได้เพราะเป็นธรรมชาติถูกเผาก็เลยถึงซึ่งภาวะคือเป็นทุก์ไปเสียด้วยหากมีคําแย้งอีกว่าโทษไม่มีเพราะความเป็นไปแห่งกิเลสชื่อว่าไม่มีอีกต่อไป จำเดิมแต่ความสิ้นครั้งสุดท้ายอันใดความสิ้นอันนั้นเป็นนิพพานดังนี้ไซคําแก้พึงมีว่าหาไม่ได้เพราะไม่มีความสิ้นเช่นนั้นประการหนึ่งเพราะแม้มีความสิ้นนั้นก็ไม่ล่วงโทษมีประการดังกล่าวแล้วและเพราะอาริยมรรคกลายเป็นนิพพานไปด้วย จึิงอยู่อริยมรรคยอมยังโทษทั้งหลายให้สิน้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าขโยด้วยและตั้งแต่นั้นไปความเป็นไปแห่งโทษก็ไม่มีอีกต่อไปด้วยแลแต่ว่าเพราะพระนิพพานนั้นเป็นอุปนณิสัยคือเป็นที่อาศัยมั่นโดยป ร, ริยายแห่งขยะคือมรรคที่ได้แก่ อนุปตินิโรธนิโรธคือความไม่เกิดขึ้นพระนิพพานนั้นท่านจึงเรียกว่าขโยด้วยโดยโวหารอันเป็นอุปจาระคือเกี่ยวข้องกันกันกบสิ่งซึ่งมีพระนิพพานเป็นอุปนิสัยหากมีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระนิพพานนั้น พระผู้มีพระภาคจึงเมตต์รัดโดยสรุปเสียทีเดียวดังนี้ไซคำแก้พึงมีว่าเพราะพระนิพพานเป็นธรรมะสุขุมนักก็แลความที่พระนิพพานนั้นเป็นธรรมะสุขุมนักเป็นความที่สําเร็จคือปรากฏทั่วไปแล้วเพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งความเป็นผู้ขวนขวายน้อยแห่งพระผู้มีพระภาค และเพราะเป็นธรรมะที่ต้องเห็นด้วยอริยะจักสุเพราะเหตุ น, นั้นพระนิพพานนี้นั้นจึงเป็นธรรมชาติไม่ทั่วไปเพราะเป็นธรรมะอันบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมรรคเท่านั้นจะพึงถึงได้เป็นธรรมชาติไม่มีแดนเกิดเพราะไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย หากมีคำแย้งว่าพระนิพพานมิใช่ธรรมชาติไม่มีแดนเกิดเพราะมีมัคจึงมีได้ดังนี้ไซคำแก้พึงมีว่าหาไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่ธรรมะที่มัคจะพึงให้เกิดขึ้นได้แท้จริงพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่บุคคลพึงถึงด้วยมัคเท่านั้นมิใช่มัคจะพึงให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงชื่อว่าไม่มีแดนเกิดแท้เพราะไม่มีแดนเกิดจึงไม่มีชราโมรณะเพราะไม่มีแดนเกิดราชรามรณะจึงเที่ยงหากมีคำเสนออีกว่าแม้อนูเป็นต้นก็ถึงซึ่งภาวะอันเที่ยงดังพระนิพพานฉะนั้น คำนองไขพึงมีว่าอนูเป็นต้นนั้นชื่อว่าเที่ยงหาไม่ได้เพราะไม่มีเหตุที่จะให้เข้าถึงหากมีคำเสนอย้าอีกว่าเพราะพระนิพพานเที่ยงสิ่งเหล่านั้นก็เที่ยงชะนี้ไซคําสนองไข่ก็พึงมีว่าหาไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าลักษณะแห่งเหตุ มีความเป็นธรรมะที่พึงมุ่งหมายปรารถนาได้เป็นต้นหากมีคำเสนออีกว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนพระนิพพานชะนีไซคําำสนองไขพึงมีว่าหาไม่ได้เพราะอนูเป็นต้นไม่สมริจผลคือไม่อำนวยผลให้ปรากฏอันพระนิพพานนี้เที่ยงแท้ เพราะมีสภาวะคือความถูกต้องชอบด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วเป็นอรูเพราะล่วงเสียซึ่งสภาวะแห่งรูปมีความเสื่อมโทมเป็นต้นมีชัยสิ่งไม่มีอยู่โดยปรมาณเพราะเป็นสิ่งที่พึงบรรลุได้ด้วยญาณวิเศษที่สำเร็จด้วยความบากบันอันไม่ย่ อ, อย่อนและเพราะเป็นพระดำรัตของพระสัพพัญยูเจ้าด้วย จริงอยู่พระสัพพัญยูเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดไม่เป็นอันเหตุอะไรอะไรไมิได้ทำขึ้นอันปัจจัยอะไรอะไรไมิได้แต่งขึ้นดังนี้นี้เป็นคำวินิจฉัยข้อที่สำคัญในทุกขะนิโรธนิเทศ